จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสามัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นพักควาผู้ทรงจําแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์สัทธา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 ณเป็นาธาตุของมารดาโมเป็นาธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อาธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟาธาตุของมารดาเขี่ยวเข้าจนได้นามว่ากัลละคือน้ํามันหย ด, ดเดียวณนะที่นี้เองปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในาธาตุน้โมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกัลละก็ค่อยเจริญขึ้น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 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มะโนคือใจนี้เป็นดั่งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดในพระพุทธพจน์ว่ามะโนปุพังขมาธรรมามะโนเสธทามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่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 เยธรรมาเหตุปปภาวเตสั่งเหตุตรงตถาโตเตสั้นจะโยนิโรโธจะเอวังวาดีมหสัมโนความว่าทมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัศสชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตรจะไม่ยั่งจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลก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 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เองม่ได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคกระบืองที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อยเพราะมนุษย์ทําได้เมื่อไม่มีทําให้มีได้เมื่อมีแล้วทําให้ยิ่งได้ สมด้วยเทศนานยะอันมาในเวสันดรชาดกว่าทานังเทติสี่หลังรักกติภาวนังภาเวตวะเอกัโจสกังกังคติเอกโจโมขังคัจิตินิสัางสยังเมื่อได้ทำกองการกุศลคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของพระปรมศาสด า, า, าจารเจ้าแล้วบางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์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 ตามสภาพแห่งาธาตุทั้งหลายด้วยอุบายวิปัสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้าอุบายแห่งวิปัสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมาดังดอกปฐุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากโครนตมอันเป็นของศสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอมารัตอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นและดอกบัวนั้นไม่ได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้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 และยานะสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัสสมมุติเป็นวิมุิหรือรวมลงถีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยานะสัมปยุตว่าที่นาจาติจานังโคติดังนี้ที่นี้ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเอง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 ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวแต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจคร้านจะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้เลยฉันใดวิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแหลไม่ใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติบัวเกียจคร้านจนตัวตาย จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการชนี้จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลปพัสสะรมิดังพิกเวจิตตังตันจะโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิททั้งภิกษุทั้งหลายจิตนี้เลื่อมประภัสสอนแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเล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 เป็นปะทะประมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียกล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้นความสําคัญของปฐ ม, มเทศนามัชจิมเทศนาและปัจจิมเทศนาพระธรร ม, มเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสาการมีความสําคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษคือ ปฐมมโพธิการได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิ ป, ปตานามรคาทายวันเมืองพาราาสีเป็นครั้งแรกเป็นปฐมมเทศนาเรียกว่าธรรมจักเบื้องต้นทรงยกส่วนสุดสองอย่างอันบัญปะชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าเดเวเมพิเกเวอันตาปะปะชิเตนะนะเซวิตับาภิกษุทั้งหลาย ส่วนที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่พึงเสพคือกามาสุขันธิกานุโยกและอัตตะกิลมาฐานุโยกอธิบายว่ากามาสุขันธิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลมาฐาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุ ท, ทยเมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลาง เพราะเมื่อบำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านราคาญก็เสียใจความดีใจนั้นแหลคือกามสุคขันลิกาความเสียใจนั้นแหลคืออตตะกิลมาถาความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะ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 แม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ได้ยานสองในสองยามเบื้องต้นในราตรีได้ยานที่สากล่าวคืออาสวัคขยะยานในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมติโคต สมมุติชาติสมมุติวาดสมมุติวง์และสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคดอริยชาติอริยวาดอริยวงค์และอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ทําให้ถูกอาสวยายาัคยญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆ ก, ก็ต้องผิดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิด ก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบำเพ็ญอยู่ก็ตกอยู่ในโลกธระทเมื่อตกอยู่ในโลกธระทำจึงเป็นผู้หวันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความหวันไหวไปมาอุปปนโนโคโมเมโลกกระทจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกกระทมี8มักเครื่องแก้ก็มี8มักแเป็นเครื่องแก้โลกกระทำแ ฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชชิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรตตัดกระแสะโลกทำใจให้เป็นจาโคปฏินิสโคมุติอนาลโยสละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทาง เมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้งสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุลีเกรเสมจากโอคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักสําคัญมากพระองค์แสดงธรรมจักนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหวจะไม่หวั่นไหวอย่างไรเพราะมีใจความสําคัญอย่างนี้โลกธาตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือตัวเรานี้เองตัวเราก็คือธาตุของโลก วันไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็นเพราะจิตพ้นจากส่วนสองาธาตุของโลกจึงวันไหววันไหวเพราะจะไม่มาก่อาธาตุของโลกอีกเลยมัชชิมะโพธิการทรงแสดงโอวาทปาติโมกในชุมนุมพระอระหันต์หนึ่นร้อยหาสรูปนภ ร, ราชอุทธยานเวลุวันกลันทกนิวาปสสถานกรุงราชครึ้ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า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 เพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่ายเมื่อทำให้มากในบริกรร ม, มาวาสนะแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุกขะะนิมิตให้ชนานาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชำนานในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจะเป็นวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเป็นวิปัสนาอย่างอุกฤิทำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสนา ชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะข้ามพ้นเพราะอาศัยข้อปฏิบัติอันตนทรรมเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้นคือพ้นจากโลกชื่อว่าโลกุตรธรรมแค่มังจึงเกษมจากโยคะฉะนั้นเนื้อความในมัทิมะเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการชนนี้แหลปัิชิมโพธิการ ทรงแสดงปฐิ ม, มเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยาสาวกนพระราชอุทยานสารวันของมารกษตรกรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพานว่าหันด า, ดานิอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวณยามิโอภิกขเวขยะวยธรรมาสั้างขาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาท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 จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสัเบสร้างฆราอณิจาสัเบสร้างฆราลุคขาให้เป็นปริชายานชัดเจนเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคในส่วนเบื้องต้นจนทำจิตให้เข้าผวังเมื่อกระแสะแห่งผวังหายไปวิยานเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆ จ, จนชนานาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์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 ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ผิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศนาในสามการนี้ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆ ก, การปฐมเทศนาก็เลงถึงวิมุตติธรรมมัชิมเทศนาก็เลงถึงวิมุตติธรรมปชิมเทศนาก็เลงถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการแล้วล้วนแต่เลงถึงวิมุตติธรรมทั้งสิน้น ด้วยประการชนี้พระอรหันตุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงนิเทวะธรมเมสยังอภิญญาสัจจิกัตวาอุปสัมปัชวิหารติพระบาลีนี้แสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบัน หาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์ไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตต์เป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตต์เป็นของพระอรหันต์สุขะวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ น, นั้นย่อมขัดแย้งต่อมักมักประกอบด้วยองแปดมีทั้งสัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาสมาธิ ผู้จะบรรลุวิมุตติธรรมจำต้องบำเพ็ญมรรคแปบริบูรณ์มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ไตรสิกขารรก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันผู้จะได้อาสวัขยะยานจำต้องบำเพ็ญไตรสิกขารรให้บริบูรณ์ทั้งสส่วนฉะนั้นจึงว่าพระอรหันตุทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติด้วยประการฉนี้